พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าประวัติดีให้มีเอาไว้ ลูกหลานมาวัดหลวงพ่อนะแต่ก็ยังไม่เที่ยงนะคงจะหิวข้าวอยู่มั้งนะลูกหลานนะนั่งรถมาลูกหลานนั่งรถมาขย็ขย้อนขย็ขยอ้ขยขยอนมาคงจะหิวข้าวนะ่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยนะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะนะกลเขากำลังเขากงเลี้ยงอาหารเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวลูกหลานนะบอกโอ้ายแนวจีเออเออ เจ้าของกาแฟแตามไปเจริงให้นักเล่นกินกาแฟบุดีเราวะบอกมีโอว ต, ตินพร้อมเลมากินข้าวป่านนะลูกหลานนะมากินข้าวป่านโห o อร่อยนะ <c oughs> มาเห็นเนี่เข้าไปข้างในเนี่เห็นจะฝูงลิงเนี่ยเต็มไปหมดนะ <c oughs> ลิงก็เยอะในวัดของหลวงตา <c oughs> มีพวกสัตว์ในป่าเนื้อที่พันกว่าไร่นะหลวงตาลูกลานนะ แต่แปลงเนี่ยนะที่ตรงเนี้ยนะ่ะยี่สิบเจ็ดไร่กว่าที่แปลงเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นเคยเป็นวัดเก่านะลูกหลานนะเนี่ยนะตรงนั้นอ่ะเป็นมันเคยเป็นโบสถ์โบสถ์เก่าอยู่นั่นแหละมันเป็นเหมือนกับจอมปลวกใหญ่เนะี่ยดินดินมันพอกโพลห่มหมดแล้วะแต่ขุดเข้าไปมันเป็นอิดก้อนใหญ่ๆเลยอิดหนาเลยก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะ อีกโบราณไม่รู้ไม่รู้เขาสร้างสมัยไหนไม่รู้เป็นเหมือนกระจอมปลวกเนี่ยแต่ได้พวกไอ้เสียล้านเขามาทําถนนถนนลองประชอดมาทำมาเนี่ยเขาก็เลยสมัยนั้นไม่มีเม็กโคดหรอกมีแต่รถตักเขาก็มาตักเนี่ยนะมาขุดมาขุดหาของอยู่ออโบดลังเนี้ยแหละโบดเลกกลังเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยวหมือนกันเถอะเออเท่มันตรงนี้มันเป็นวัดเก่านะลูกหลานนะ อแต่จะไหมไหนก็ไม่รู้สมัยเขาว่าสมัยพระเจ้าไซเศษธาเขาว่านะอันนี้ก็พูดก่อนเกิดทั้งหมดแล้วกันเถอะจะเท็จจะจริงยังไงก็ไม่รู้พระเจ้าเจ้าไซเศษฐานี่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แล้วพระเจ้าเวียงจันทร์นี่ไม่มีลูกชายอามีแต่ลูกสาวก็เลย ไปลูกพระเจ้าชายเซษฐานเลยมาแต่งงานกับสาวเมืองเวียงจันทร์พอแต่งงานกันแล้วเมืองเชียงใหม่กับเมืองเวียงจันทร์เหมือนกับเมืองเดียวกันบ้านเหมือนกับเมืองเดียวกั น, พนเพราะนั่นเขาเลยทางคนทางเชียงใหม่ก็ลงมาทางทางเวียงจันทร์ก็น่ากระจุยกระจายประวัลราชการนั้นเป็นวัดราชการที่ว่าเจริญรุ่งเ ร, องเรืองที่สุดในยุคสมัยนั้น เนี่ยเขาตามที่ประวัติศาสตร์เขาพูดเองเขาพูดเล่าให้ฟังนะเนเพราะนั้นอยู่ในวัดของหลวงตาเนี่ยนะมันมีพวกเฟื่องก็เฟื่องโอ่งเฟื่องไห้นะลูกหลานนะคือตุ่มน้ำใหญ่ๆเขาเปนมีหินดินเผาน่ะดินเผาแตกเต็มไปหมดอยู่ข้างในแต่ไม่ลูยไม่รู้มันอยู่ม่ลูกคนมาสมัยไหนมาอยู่พอปัดกวาดปัดตาดไปเนี่ยจะเห็นโผ ข, ขึ้นมา อที่เฟื่องหายที่มันโง่มันแตกอไม่รู้ว่าคนสมัยไหนมาอยู่แต่ลูกหลานผู้ใดมาอยู่เนะี่ยถ้าขี้กลัวผีนะ่ะคงจะโอ้โหผีโบราณคงจะอยู่แถวนี้แต่ไม่มีนะลูกหลานนะเออวัดหลวงตาหลวงตาไม่ให้มีผีนะให้มีแต่เทวดานะ่ะนะเออมีแต่เทวดาอยู่วัดหลวงพอ่อหลวงตาเี่หลวงตาวัดหลวงตาในทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมด 1, พันสารอยห้าสิบไร่ ที่กำแพงล้อมรอบข้างในหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดเป็นผู้มาสร้างให้สมัยนั้นหมดไปยี่สิกว่าล้านนะลูกหลานนะเฉพาะค่ากำแพงเนะี่ยความยาวของกำแพง6กิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรดูสิเดินรอบกำแพงเนี่ยเหนื่อยหักเลยวงั้นเนถะหกิโลกับเจ็ดรอยกว่าเมตรเดินกำแพงวัดของหลวงพอนะ่อเนี่ยคอนกรีดเสริมเหล็ก งบประมาณสมัยนั้นน่ะสมัยปูนถุงละสามสิบห้าบาทปูนปูนปูนเสือน่ะยี่สิบบาทปูนช้างสามสิบห้าบาทแต่ขนาดนั้นก็หมดไปแตยี่สิบกว่าล้านแต่ทุกวันนี้ถ้าทำทุกวันโอ้ร้อยล้านเนี่ยอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเสร็จแล้วยางลูกลานเออเอาพร้อมเราเอาทำเริ่มพิธีแล้วนะที่นี้นะ ออิมีนาาาาสการพูภชยลูกหลานต่างหลายที่จะได้มารวมกันร่วมกันอย่างเนี้หาได้ยากวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่คณะครูบาอาจารย์โรงเรียนราชินุทิต จังหวัดอุดรฐานีของพวกเราเป็นโรงเรียนประจาจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดฝ่ายนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็คืออุดรพิทยานุกูลแต่ทางโรงเรียนหญิงก็คือราชินูเทศแต่ี้พวกครูบาอาจารย์เห็น มองไกลว่าควรจะปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศ า, าสนาซึงวัฒนธรรมตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็คือวัฒนธรรมไทยก็ให้รู้จักเคารพคารวะอ่อนน้อมอตามวัฒนธรรมอย่างพวกเราลูกหลานได้เรียนได้ศึกษาแต่วันนี้พวกครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าน่าจะออกอทัศนา ทัศนศึกษานอกพื้นที่ยังได้พาลูกหลานมาที่วัดของหลวงตานะวันนั้นหลวงตาเห็นลูกหลานทั้ง500รวมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยก็เป็น500ร้อหคนหลวงตาเห็นแล้วก็เออเป็นที่ปลื้มใจแต่เมื่อลูกหลานได้ทําพิธีการไหว้พระพร้อมกันแล้วก็พร้อมเพียงเสียงเดียวกันแล้วก็ ตอเ น, นี่ไปลูกหลานก็ได้กราบพระราฮ์นาขอศินจากหลวงตาเมื่อกลับอัลาฮ์นาขอศินห้าแต่หลวงตาก่อนที่จะให้ศินห้าหลวงตาจะแนะนําเรื่องศินห้าให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเป็นแนวทางซะก่อนค่อยรับศินนะลูกหลานนะเพราะว่าพวกเราไปนักฐานที่ต่างๆพวกเรามีแต่เรียนหนังสือพอเป็นเด็ก เกิดใหม่ลูกหลานที่เกิดใหม่ได้รับการศึกษาถ้าเป็นผ้าก็คือเป็นผ้าขาวสะอาดเพราะฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายก็ควรจะเอาสีอะไรเข้าไปในผ้าของลูกหลานให้ลูกหลานได้ศึกษาให้ฟังเอาไว้เพราะศีลจรธรรมของพระพุทธเจ้า เ, เป็นศีลดึกดําบรรเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ โบราณนักการชาติไทยของเราบรรพบุรุษคนในชาติไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนามาเป็นระยะยาวนานตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทร a ิิ i พ่อขุนรามคำแหงตลอดถึงกรุงศรีอยุธยาแต่ขนาดที่กรุงรัตนโกศิน์ก็ทั้ง200ปีแล้วเพราะนั้นพวกเรานับถือพระพุทธศาสนานับไปแล้วก็หลายร้อยหลายร้อย ในปีที่เดียวเพราะนั้นมาถึงพวกเราทำไมคนโบราณเขาจึงนับถือพระพุทธศาสนามีดีอย่างไรคนโบราณเขาต้องมีดีเขาจึงได้นำสิ่งที่มันดีสืบท อ, อดมาถึงลูกถึงหลานเพราะนั้นหลวงพวกลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าดีอย่างไงพระพุทธศาสนาอันดับแรกหลวงพ่อจะว่านโมกล่าวว่านโมตัดสักก่อนนะ นโมตัสสะพระคาวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะพวกลูกหลานก็คงจะแปลไม่ได้เพราะเป็นนโมเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาในครั้งพุทธเจ้านโมไปว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้ค้าประการาบคารวะต้นศาสนาต้นศาสนา ที่โลกพวกเราจะรับศีลเนี่ยก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแหละที่เราขอหนอบน้อมกราบคาระวะนั่นแหะคือนนโมตัดสา น, นนะคือต้นสาราต้นความคิดของพระองค์จากนั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เห็นว่าศีลและธรรมจำเป็นสาหรับคนในโลกที่อยู่ด้วยกันจะต้องมีกฎกติกาต้องมีกฎระเบียบเพราะนั้นท่านจึงบัญญัติศีลห้าขึ้นมา จากนั้นก็หลวงตาจะเป็นผู้พานำว่าพทุทธังทำมังสังขังสระนางคัดฉามิดูตียามปีพุทธทังทำมังสังขังสระนางคัดฉามิตาตียามปีพุทธทังทำมังสังขังสระนางคัดฉามิพุทธทังคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาต้นพระศาสนาทำมังคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้ตัดจะรู้แล้วท่านได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราสังฆังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราจึงได้รู้ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะมีคุณค่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าเป็นทุนละ ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณ ะ, ะยึดพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพ <i> <ๆ>ราะฉะนั้นจึงวอกพุทธทางธรรมังสระนังออสระนังคัดฉาไิสรณะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเรากันดูติยามปียืนยันเป็นครั้งที่สองนะ่ะตาติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังยืนยันทึก3าครั้งเป็นครั้งที่สจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง จากนั้นกล่าวเป็นองค์ศีลเท่เนีปานา่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข่าพรเจ้าจงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าคํานี้แหละการฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าพวกเราฆ่าพ่อแป๋พี่น้องวงศาคณาญาติญาติมิตรหายหรือฆ่าที่พวกเราที่รักเคารพนับถือ เขามาฆ่าตระกูลของเราพูนง่ายๆเราเสียใจไหมเราก็เสียใจในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าคิดฆ่ากันเนออย่าฆ่ากันถ้าฆ่ากันถ้าเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขามีแต่ความเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าคิดฆ่ากันให้มีเมตตาต่อกันอันนี้คือศี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมะนี อย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราไป algebra, ขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้ามาเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะเขาอย่างที่เขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราญาติโกโหติการถลาของเราเอาเขาขโมยไปอย่างนี้เราเสียใจไหมเสียใจเออาเรียกพ่อมาขโมยพ่อแม่ของเราไปเรียกฆ่าทายอย่างนี้เราเสียใจเราเสียใจ ถ้าเราไปทําใหค้คนอื่นเขาเหรเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นอย่าข้ามวยกันอันนี้คือศี่ข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุพิชฌายาราเว ร, รมเอย่าประพฤติผิดให้ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อ, อย่าละาบประลวกในสามีภรรยาลูกหลานคนของคนอื่นเขาญาติพี่น้องของเขาเขอก็รับ เ, เป็นญาติพี่น้องของเราเราก็รับ ต่างโคงก็ต่างมีพี่มีพี่มีน้องมีมีวงศาคณาญาติให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อ, อย่าไปทำผิดศีล อ, อย่าไปทาผิดศีลอย่าไปล่วงละเมิดให้ผิดศีลกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สีมุสาวาทาเวารมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกงหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเ อ, อไปโกหกเขาเขียนเช็คแต่งให้เขาบ้างไปย้อมตัดกัวไปย้อมเหล็กว่าเป็นทองคําบ้างเนี่ยเ อ, อเมื่อไปหลอกเขาเขาก็เสียใจเมื่อเขาถูกกลอกเพราะฉะนั้นเมื่อทํามาถูกกลอกเราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นสินและธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบดูแล้วท่านบอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขา เ, เพราะนั้นเขาเราถ้าเราเถูกฆ่าก็ดีถูกขโมยก็ดีถูกลาลาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานก็ดีโกหกก็ดีเราเสียใจไหมเราเสียใจถ้าคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเพราะฉะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกระละกัดอันนี้คือศินของพระพุทธเจ้าข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราและเมลัยสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนจะเป็นอันไหนก็ตามถ้าดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วใ้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะขาดสติฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ราราบระร่วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดจิติเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าการดื่มหรือเสพของที่เมือนเมาขาดจติไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราสําหรับตระกูลของเราเพราะนั้นให้ลูกหลานให้สังเกตนึกอคิดเอาไว้ถ้าจะดื่มสุราและของเหมือนเมาและให้ลูกหลานเออระลึกถึงคําพูดคําสอนของหลวงพ่อเออว่าการดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดจิติคนขาดจิติเหมือนคนเป็นบ้า ในเมื่อคนเป็นบ้าแล้วขาดจิติแธรรมความชั่วในทุกอย่างเพราะขาดการยับยัง้งเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงศึกษาเอาไว้นี่แหละถ้าหากว่าพวกลูกหลานนึกหลับตาดูให้ดีที่ว่าเจียงไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มของโลกให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขมานมนานเพราะนั้นคนโบราณปู่ย่าตาทวดของพวกเรา จึงได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาตเิเป็นที่ให้คุ้มครองลูกหลานให้อยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายได้รู้แล้วว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อ น, นี้ไปหลวงตาจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนัตินะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนโพกสัมปธ า, าสีเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทะเยออาณาธนธรรมใช่ไหมเอาพระเกียนพูดได้ัหมอาณาธนธรรมผมมาจะโลกาได้ไหมฮะได้ทำไมจะไม่ได้วะ ไ, ไดไหมเอาครูค ด, ดำก็ได้ วารังอายาจธาสันเตตัสันตาอวิคังทัปติกาเทเสตุกรรมังอนุกรรมปิมังปะชังครูบาจารย์ต้องสอนนะที้นนะ าขาดตกบกพ่องแล้ววะครูจริยธรรมเนี่ยไม่สอนอาราธนาธรรมว่าไม่สอนอาราธนามให้กับนักเรียนมันต้องสอนอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศและกษับริตาด้วย สามันตาจักวาเรซูอันราคาชันตูเทวาตาฝุดเป็นธรรมนองฮะต้องเอาเสียงให้ทั่วๆกันหลวงพ่อไปอินโดนีเซียในขนาดเขาสัตว์สือศาสนาอื่นเขาพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยเก่งกว่าคนไทยคนไทยของเราเนี่ยมีแต่ให้ทา ย, ยกเป็นผู้นำพูด อ, บ อ, บอบจบแล้ว พอทายกไม่มาแต่ลูกน้องทั้งหลายลกหลานรอลั ง, ลงมองหากันโอ้หลวงพ่อว่าไม่ดีเพราะนั้นลูกหลานต้องท่องให้ได้ผลพุทธศาสนพุทธศาสนิชนพุทธมามกะนะเอ้าฟังนะสเนด้า น, นลูกหลานนะหลวงตาจะพูดไปนานนะกลัวลูกหลานจะหิวข้าวถึงอย่างเงีเที่ยงหลวงพ่อหลวงตาจะต้องหยุดเทศเพราจะให้ลูกหลานได้ทานอาหารนะวันนี้ลูก เอาเที่ยงเที่ยงสักหน่อยเพราะว่าลูกหลานจะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยนะถ้ามันหิวแล้วมันอร่อยนะลูกหลานนะแต่ถ้ามันไม่หวิวมันไม่อร่อยเพมือนกันแตมันต้องให้หิวสักหน่อยซะ ก, ก่อนนะเพราะนั้นนะ่ะอีกเดี๋ยวด้วยก็เพียงสิบเอดนาฬิกาสนาทีนะยังอีกเวลายังยังไม่ถึงยังไม่เที่ยงง่ายนะเบื้องแรก คณะครูบาอาจารย์และการนักเรียนได้กล่าวได้ไหว้พระและก็สมาทานศีลแล้วก็ได้กล่าวคําถวายทานถวายภาพป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ไปก็คณะครูบาอาจารย์ก็ได้การาบอาราธนาธรรมให้หลวงตาเป็นผู้แสดงธรรมแต่ตัวนี้ไปหลวงตาจะเป็นผู้แสดงธรรมให้กับคณะ ลูกหลานทได้ยินได้ฟังเพื่อได้เรียนรู้เพื่อการศึกษาวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งด้วยโรงเรียนสตรีราชินูเทศอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีมีความประสงค์ขอนำนักเรียนชั้นมัธยมปีที่สามจำนวน540คนครูจำนวน30คน ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอุบาสิกาวัดบ้านสวนอำเภอนาอยุงจังหวัดอุดรธานีคือเงินวันนี้ก็ครูนักเรียนได้รวมกันเป็นเงินทั้งหมด 168,149 บาบาทไม่ใช่เงินน้อยเงินมากทีเดียวเงินคนละบาทคนละ ของลูกของหลานทั้งหลายหลวงตาจะนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะามาสร้างอาคารเรียนอาคารที่พักปฏิบัติธรรมแล้วก็ศ า, าลาหลวงตาก็ไปดูอยู่เมื่อวานนี้พ่อผู้รับเหมาเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาให้เขารับเหมาทั้งหมดทั้งห้องพักห้องพักอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อาคารศาลาปฏิบัติธรรม รวมแล้วเป็นเงินห้าล้านกว่านะลูกหลานนะห้าล้านเก้าหมื่นกว่าบาทแต่เดีนี้มันก็บานปลายไปถึงเกแสนแล้วเพราะว่ามันเพิ่มเติมหลายๆอย่างเข้าไปเพราะนั้น อ, อ, อาคารที่สร้างที่บ้านสวนนี่ก็คงจะได้คงจะประมาณที่ตหกล้านกว่ากว่าคิดว่านะแต่ถึงอย่างไงก็นี่แหละลูกหลานได้มีส่วนร่วมในการ ถวายภาป่าในคราวนี้ครั้งนี้ต่อไปภายภาคหน้าก็ไม่แน่มันกันาลูกหลานนะถ้าหากว่าได้เรียนหนังสือจบแล้วได้ทำการทำงานแล้ว เ, เลือกเมื่ อ, เ, อเบื่อจากหน้าที่การงานอาจจะมาปฏิบัติธรรมที่บ้านสวนของหลวงตานี่ก็ได้เพราะหลวงตาเตรียมสถานที่รองรับไปแล้วฝ่ายอุบาสิกาคือฝ่ายผู้หญิงถ้าหากว่าผู้ใดจะมาปฏิบัต หรือว่าการทำการทำงานเมื่อเป็นครูและเป็นอาจารย์และทำงานสวนไหนสวนราชการอะไรก็ตามในช่วงที่ปิดเทอมหรือว่ า, าลาภาคฤดูร้อน เ, อเราจะมาปฏิบัติธรรมที่บ้านสวนก็ได้เพราะเป็นเอกเทศมีชีเป็นหัวหน้าแล้วเขาก็จะพาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมให้เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วก็พร้อมกัน พวกเราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราน่ะเ่ร น, นั้นหลวงพ่อจึงถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่พวกลูกหลานได้มาทอดผ้าป่าสามคีที่วัดของหลวงพ่อเพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพวกเราของลูกหลานทุกคนผู้ใดมาปฏิบัติก็ไม่มีกับไม่ได้เก็บค่าห้องพักไม่ได้เก็บค่าน้ําค่าไฟไม่ได้เก็บอะไรทั้งหมดสุดแท้แต่พวกเรามาแล้วเออจะช่วยสงเคราะห์ที่เรามาได้ใช้ก็ช่วยช่วยกันทีบ่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่พอมีเงินยูเอาก็ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาอันนั้นเป็นของธรรมดาเราไปนักสถานที่ใดเ้วก็ต้องอให้กับสถานที่ที่เราไปพักที่เราไปพึ่งพาอาศัยอันนั้นเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราไม่ได้ให้ไปต่อไปก็มันก็จะหมดไปหายไปอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละวัดวาศาสนาเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับพวกลูกหลานทั้งหลาย เป็นแหล่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจแต่ทางโลกเราก็หา เ, เรียนหนังสือนี่แหละการก่อตั้งก่อเริ่มริเริ่มที่พวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะต้องริเริ่มจากตัวนี้ไปเมื่อเราเรียนจบมัธยมจากนั้นก็เราก็ตั้งใจเรียนจนถึงต่อปริญญาตรี จากนั้นก็บางคนก็ต่อถึงปริญาโทบางคนก็มีความสามารถต่อถึงปริญาเอกแต่ถึงยังไงปริญาตรีนะครนับว่าเก่งแล้วละ่ะเมื่อจบปริญาตรีได้แล้วพวกเราก็หางานหาการทำแล้วสิพ อ, อ, อทำการทำงานได้แล้วนี่แหละ เ, เราก็สสแสวงหาทรัพย์คนหมันคนขยันยอ่ยอมหาทรัพย์ได้ถ้าคนขี้เกียจขี้คล้านนะ เ, เรียนก็ไม่จบนะลูกหลานนะ เพนั้นให้ลูกหลานมันขยันนะให้รู้จักหน้าที่อย่าไปเที่ยวอย่าไปเตรในขณะที่เรียนหนังสืออย่าอย่าไปพบคนที่ไม่ดีเออมันถ้าผู้ใดก็ตามที่มาเรียนหนังสือราชินูทิดหลวงพ่อว่าเป็นผู้กันกรองมาแล้วจึงได้มาเข้าโรงเรียนราชินูทิศเป็นที่ยอมรับของคนทั่วจังหวัดยังวัดอุดรเขาก็ยกย่องเชิดโชว์ละว่าฝ่ายผู้ชายก็ว่าอุดรพิษ ถ้าทั้งฝ่ายผู้หญิงก็จตรีราชินุเทศเป็นหนึ่งในจังหวัดอุดรกันกรองมาแล้วจึงได้เข้าโรงสองโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญนะได้มาเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่พ่อแม่ของเราได้ส่งเข้ามาเรียนหนังสือเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายตั้งใจเรียนหนังสือนะ อ, อย่าไปทะเลไทยกไหลยอย่าไปหาเที่ยวหาเตร การครบค้าสมาคมกับหมูเพื่อนหญิงเพื่อนชายด้วยกันก็ตามนะก็ให้สังเกตเขาจะพาไปทางไม่ดีหรือเปล่าบางทีเราอาจจะไปคบคนที่ไม่ดีเออบางทีเขาขายยาบ้ายาบ้ายามา้าอย่างนี้แหละเราไปนั่งรถซ้อน ม, มอเตอร์ไซค์กับเขาถ้าเขาดวนตรวจพบเจอเข้าไปแล้วลูกหลานก็จะต้องเสียอนาคตเนี่ยนี่แหละคบคนไม่ดี เรงเหล่านี้พวกลูกหลานทั้งหลายต้องใช้ปัญญาใช้ติใช้ปัญญานะลูกหลานนะเพราะในโลกนี้มันมีมากหลากหลายเหลือเกินที่จะทำให้เราเสียหายเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลาย เ, เป็นคนดีสรุปแล้วให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนหนังสือปีนี้ก็เปิดปีที่สามแล้วนี่มสมทั้งหมดเลยตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกับหลวงตาม .3 ถ้าม3เราไม่ตั้งใจเรียน เราจะสอบขึ้นม .4 เนี่ยมันสอบแล้วณนะที่นี้นะถ้าหาว่าเราไม่ตั้งใ จ, ใจเรียนเอาอาจจะพลาดตกพอตกมาไม่ได้ขึ้นเรียนม .4 เราก็เสียอนาคตได้ง่ายๆเพราะนั้นอีกยังอีกไม่นานนะเราให้ตั้งอกตั้งใจเรียนศึกษาให้ตั้งต้นใหม่ถ้าใครตั้งถ้าาศึกษาด้อยเราก็ต้องพยายามเรียนอ่านถามครูบาอาจารย์ แล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจเรียนออพอจบมสขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสอบมสี 4, มันก็ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจมาโดยสม่ำเสมอได้เมื่อมสมหถึงมหถึงมหนั่นนะ่ะ เ, เราจะทะเลถะไลายไม่ได้นะเราจะต้องกระโดดข้ามอย่างแรงเลยทีนี้ เ, เราจะกระโดดข้ามคลองอย่างแรงคือเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเราจะเรียนอะไรเราจะเรียนแพทย์หรือวิศวะ เออหรือพยาบาลหรือบัญชี อ, อ, อะไรเยถ้าเราตั้งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวเตรียม ต, ต, ยมตนให้ดีเออต้องฝึกให้ดีในเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็สอบได้อย่างสบายเพลินเพราะเราได้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวมาดีแต่คำว่าพวกเรามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสนุกสนานไปไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนอนาคตของเราก็ ไม่ดีนะลูกหลานนะในหลวงตาในที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของลูกของหลานหลวงตาในเป็นห่วงนะลูกหลานนะเป็นห่วงอนาคตของลูกของหลานถ้าลูกหลานไม่ตั้งใจเรียนจะเสียอนาคตหน้าเสียดายเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจเรียนเพราะพ่ อ, พอแม่ส่งเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาจุดนี้แล้วลูกหลานก็ควรจะเป็นผู้ตั้งใจเนะีหลวงตายังบอกว่าเป็นผู้โชคดี เออเป็นผู้มีบุญแล้วที่พวกเราได้มาเรียนออในราจติราชินุทิตแห่งนี้นะเพราะนั้นให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายนะแล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลและธรรมอย่างที่ลกบตาได้พูดเบื้องต้นไว้ศีลห้าเนี่ยแหละเป็นศีลคุ้มคองโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเอออย่าคิดฆ่ากันอย่าขโมยกันเออให้เป็นคนดีสรุปแล้วอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงกัน อย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติเนี่แหละถ้าพวกลูกหลานรักษาเพียงศีลหา้าข้อนี้ได้เท่านั้นแหละลูกหลานจะเป็นคนดีไม่ติดคุกไม่ติดตารางอ ย, ชชอยู่ในชุมชนอยู่ในชนชั้นใดกลุ่มใดก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วนหน้าแต่ถ้าว่าลูกหลานทาตนไม่ดีนะไปนัาสถานที่ใดก็เป็นที่รังเกียจเดียดสารของขนทั้งหลายไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเรา เพราะเหตไรเพราะเราเป็นคนไม่ดีถ้าว่าเราเป็นคนดีแล้วนะไปท้าสถานที่ใดใครใครใครๆก็ยอมรับอยากจะได้คนดีถ้าว่าเรามีประวัติดีเราไปสอบระดับไหนเขาก็ต้องสอบดูประวัติว่ามีประวัติเคยทำความเสียหายไหมถ้าเขาสอบประวัติโอ้การเรียนก็ดีตระกูลก็ดีนามสกุลดีอะไรก็ดีหมด เขาก็อยากจะได้คนดีมาไว้ในสำนักงานของเขาเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราทำตนไม่ดีประวัติเสียนะประวัติของเรามันอยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์นะนะทุกวันนี้นะเพราะนั้นอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีทำไว้ดีแล้วอยู่ในคอมอเขากรเมื่อเมื่อไร่เขาก็เห็นแล้วประวัติไม่ดีใครใครก็พอไปเข้าไปในสำนักงานไหนเขาก็จับตามองเราแล้วทีนี้พอจับตามองเราแล้วทีนี้เราขยับไปที่ไหนผิดนิดผิดหน่อยเขากด มีแต่จะเขีย่ยเราหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่มันจะขึ้นไปมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะประวัติของเราเสียหายสิ่งเหล่านี้แหละให้ลูกหลานรักษาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่เป็นนักเรียนให้ลูกให้ลูกหลานรักษาประวัติเกียรติประวัติของตนเองเอาไว้ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาประวัติไม่เสียทำงานทำการนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของสานักงานนั้นเพราะนั้นเข้ามาบวช เป็นชีชีก็ก็รับได้เพราะเหตุใดเพราะเป็นคนดีใครๆก็อยากจะได้คนดีทั้งนั้นแหละเอออยไปเป็นสะพายใคร เ, เขาก็ยอมรับได้ไเพราะเหตุใดเพราะเด็กดีสะ า, ายเป็นคนดีมาอถ้าว่ามีประวัติเสียเข้ามาแล้วท่าลูกชายของเขามาติดพันกับลูกสะพายคนนี้แม่ปู่แม่ย่าก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะประวัติไม่ดีเพราะฉะนั้น คำว่าประวัติดีคำเนนะ้ให้ลูกหลานรักษาไว้ตั้งแต่บัตรดีละ่ะตั้งแต่ได้ยินคำหลวงพ่อหลวงตาพูดให้ฟังนี่และใหล้ลูกหลานเป็นคนดีสรุปแล้วให้ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ให้รู้จักหน้าที่การงานเมื่อการเรียนดีกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ก็ช่วยหน้าที่การงานของพ่อของแม่ให้เป็นคนดีมาโรงเรียนก็เหมือนกัน สิ่งไหนที่ครูบาอาจารย์ขอร้องให้ทำเราก็ยินดีทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเมื่อเราทำงานทำการน่ะมันกำลังมันไม่เสียหรอกมีแต่ได้ได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความรอบขอบได้หมดทุกอย่างถ้าเราช่วยสาธารณประโยชน์ได้ความยกย่อง ช, ชื่นชมจากครูบาอาจารย์จากสาธารณชนอีกต่างหาก เราต้องคิดให้ไกลนะลูกหลานนะอย่าไปคิดใกล้ๆถ้าคิดใกล้ๆแล้วมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นถนนหนทางไม่มีไม่ไม่มีทางเดินนะถ้ามองใกล้ๆนะถ้ามองไกลๆนะมองไกลๆมองทอดสายตาให้ยาวเราต้องมองดูว่าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอนาคตของเราจะเดินไปในทางไหน เ, เหล่านี่แหละ ล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีศีลธรรมทั้งหมดการครบค้าสมาคมการครบหมู่ครบเพื่อนให้ระมัดระวังคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นและถ้าคบคนไม่ดีเราก็กลายเป็นคนกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยถ้ารับคบคนดีก็เป็นคนดีไปในะสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับอย่างที่ลุงตาได้กล่าวเพราะนั้นการกล่าว สัมมอธนิยาคาถาให้กับลูกหลานได้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบา ร, รมีของหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มของลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด ลูกหลานทั้งหลายปราถนาสิ่งใดในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆลูกหลานทุกคนด้วยเธิน